าการเจริญสติการสอนการบรรยายแล้วก็หนักไปทางการเจริญสตินี่แหละโยงทังการทำความสุกตัวให้เกิดมีขึ้นแต่ก็ไม่ควรเข้าใจว่าการปฏิบัติธรรมมันมีเท่านี้นะการปฏิบัติธรรมยังมีมากกว่านี้ที่สมัยคือการรักษาศีลเดินจากศีลห้านะเป็นเกิฑต่ำสุดแต่ว่าที่นี่เราไม่ได้ พูดถึงเรื่องศีลห้ามากก็เพราะว่าเป็นเรื่องที่รู้กันอยู่แล้วสอนถูกสอนกันมาตั้งแต่เล็กแล้วก็หลายแหย่งหลายที่ก็สอนเรื่องนี้แหละเรื่องความสําคัญของศีลเรียว่าศีลห้าแต่ว่าที่แห่งสอนกันไม่มากก็คือเรื่องของจิตภาวนาเนี่ยจะเป็นการเจริญสติการทําำกงสุกตัวหรือว่าการทํากรรมฐานอีกอย่างนึง คนที่มาวัดเนี่ยส่วนใหญ่ก็รู้ดีว่าเนี่ยการรักษาสีเนี่ยมันเป็นสิ่งสําคัญแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ดูแลตัวเองในส่วนนี้ดูแล้วแต่ว่าสิ่งที่ยังทําไม่พอก็คือเรื่องของการเตือนสติการทําความสิกตัวหรือว่าการบําเพ็ญปิตพภาวนาจริงๆจะบอไปแล้วเนี่ยการที่ คนเราเนี่ยจะมั่นคงในสีได้เนี่ยมันต้องมีการฝึกจิตนะกำกับด้วยหรือผู้ใหญ่กนะคือว่านอกจากการรักษาสีแล้วก็ต้องมีการต่อยอดนะด้วยหรือแบ c อัพด้วยการเจริญสติการทำความสุขตัวเมื่อไงเนี่ยการรักษาสีของเรามันก็มีโอกาสที่จะบกพร่องได้งา่ายก็บ่อยครั้งเนี่ยถึงแม้เราอยากจะรักษา ถึงแม้เราอยากจะรักษาศีลให้ดีให้ครบถ้วนแต่ถ้าเราไม่รักษาใจปล่อยให้กิเลสมันเรื่องฟูก็รักษาศีลได้ยากนะเช่นถ้าเกิดเราปล่อยให้ความโลภมันคลองใจเราก็เหลอไปลักขโมยไปเอาทรัพย์สินของคนอื่นไปที่จริงคนที่สนใจเรื่องการทำกรรมฐานเนี่ยปกติก็มีความโลภน้อยอยู่แล้ว แต่ก็ประมาทไม่ได้เคยมีโย ม, มนมาสนทนาธรรมกับอาตมากลุ่มหนึ่งก่อนกับอาตมาก็บอมหนังสือธรรมะให้กับโยมกลุ่มนี้ซึ่งก็มีหลายคนแล้วก็บอกเพราะว่าเนี่ยเอาไปแจกให้เพื่อนๆด้วยหนังสือที่ให้ก็มีหลายหัวก็ให้ไปคนละเล่นที่เหลือก็เอาไปให้เพื่อนที่ไม่ได้มาด้วยแต่ปรากฏว่าบางคนเนี่ยก็ ไม่แจกไปให้เพื่อนนะเก็บไว้เองทั้งที่ตัวเองก็ได้มาแล้วหนึ่งเล่นแต่อยากได้อีกอยากได้สองเล่นก็เลยเก็บไว้เป็นของตัวเองไม่แจกให้เพื่อนเองนี่ก็ถือว่าทาไม่ถูกนะเพราะว่ามันควรจะแจกให้เพื่อนไม่ใช่เก็บไว้เองแต่หลายคนเนี่ยแม้ว่าความโลภจะน้อยแต่กิ่เดที่มักจะมีมากก็คือความโกรธ ความไม่พอใจแล่นรวมไปถึงความเกลียดด้วยเวลาเจอคนที่ทำตัวไม่น่ารักเพื่อนร่วมงานที่ชอบเอาเปรียบหรือว่าชอบนินทาหลายคนเนี่ยพอเจอเพื่อนร่วมงานแบบนี้เนี่ยก็อ ด, ดไม่ได้นะที่จะตอบโต้เขานินทาร์ฉันฉันก็นินทาเขาบ้างหรือบางทีอยากจะชนะเขาเป็นเขาชอบปล่อยข่าวลือใส่ร้ายคนนั้นคนนี้ ่คนก็เลยทําบ้างปล่อยข่าวลือเกี่ยวกับคนคนนี้แหละบางทีก็ใส่ร้ายเขาเพื่ออะไรเพื่อเอาชนะเขาเพราะเขาเป็นคนไม่ดีเขาลังแกคนอื่นยังไงฉันก็ใช้วิธีเดียวกันเนี่ยจัดการกับเขาบางทีไม่ใช่แค่ดินทาไม่ใช่ใส่ร้ายบางทีก็ตักฟลามเขาด้วยเพื่อจะให้เขาเนี่ยได้รับการลงโทษบางทีนหนักขนาดน่าถึงขั้น สร้างหลักฐานเท็จเพื่อที่จะเอาเขาให้อยู่หมัดหรือทำให้เขาถูกลงโทษให้ได้แน่หลายคนก็ไม่รู้สึกว่ามันผิดนะเพราะว่าหรือว่าสิ่งที่ทำนี่ถูกต้องแล้วคนไม่ดีก็ต้องจัดการแม้ว่าจะใช้วิธีการที่ไม่ถูกต้องอเช่นใส่ร้ายปักปรา หรือว่าสร้างหลักฐานเท็จอันนี้เพื่อต้องการเอาชนะแม้ว่าอาจจะบอกตัวเองว่าเนี่ยในคนผิดเนี่ยคนไม่ดีสมควรที่ต้องถูกลงโทษสมควรที่จะถูกกาําราบแต่ว่านั่นมันก็เป็นข้ออ้างนะของกิเลสกิเลสตัวที่ต้องการเอาชนะเพราะมีความโกรธมีความเกลียดอันนี้ก็เลยทําให้เธอผิดศีลได้เหมือนกัน เนื้อกระต am รวจที่ต้องการจับผู้ร้ายแต่ว่าไม่เจอเขาทําผิดทานหนังคาเขาแต่ก็รู้ว่าเขาไม่ดีค้ายาทํายังไงจะจับเขาได้นะก็ต้องเอาหลักฐานเช็จเนี่ยมายัดใส่เอาหลักฐานเช็จเพื่นเอายามามายัดไว้ในกระเป๋าเขาในรถของเขาในบ้านของเขาเพื่ได้มีข้ออ้างในการจับ หลายคนก็รู้สึกว่าเออไม่ผิดนะเพราะว่ามันเป็นผู้ร้ายขายยาเพรา ะ, ะนั้นแมาจะใช้วิธีที่ไม่ถูกต้องก็สมควรละเพื่อจะให้เขาถูกจับแต่ว่าเป็นวิธีการที่ผิดกฎหมายนะพวกยัดดัดยานยแต่ก็ไม่รู้สึกว่าผิดเพราะว่ามั่นใจว่าเนี่ยไอ้คนนี้เนี่ยมันเป็นผู้ร้ายถ้า ถ้าหนังคาเขาไม่ได้ก็ต้องอสร้างหลักฐานเช็คขึ้นมาบงทีคนที่ปรารถนาดีแต่ถ้าไม่ไม่ระวังหรือไม่เท่าทันกิเลสเนี่ยก็อาจจะเผลอทำผิดหรือว่าทำชั่วได้หรือว่าผิดศีลได้อันนี้เพราะว่าไม่รู้ทันกิเลสหลงเชื่อข้ออ้างของกิเลส ว่าทำอย่างนี้นถูกต้องละคนชั่วคนไม่ดีก็สมควรจะถูกลงโทษแต่ที่จริงเนี่ยเตผลลึกๆเนี่ยก็เป็นเพราะความโกรธความเกลียดหรือว่าความต้องการเอาชนะซึ่งมันก็เลยผักให้เราทำผิดศีลเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเราถ้าหากว่าจะมั่นคงในศีล อย่างท้จริงเนี่ยมันต้องรู้ทันกิเลสนะไม่ว่าจะเป็นกิเลสความโลภหรือว่าความโกรธความเกลียดและการที่เราจะรู้ทันกิเลสได้เนี่ยนะมันก็ต้องมีการฝึกจิตโดยเพราะการมีสติเพราะสติเนี่ยมันเป็นเหมือนตาในนะที่ทาให้เราเห็น กิเลสที่มันพยายามครอบงำจิตใจหรือว่าคอยปั่นหัวเราการเจริญสติเนี่ยจึงเป็นสิ่งที่จะช่วยเสริมนะให้เรามั่นคงอยู่บนหนทางของธรรมะได้โดยเพราะการมีศีลแต่มันไม่ใช่เพียงแค่ทำให้เรา มันคงอยู่บนความดีแต่ยัช่วยทำให้เราออกจากทุกข์ได้ง่ายด้วยเพราะว่าใ้ความทุกข์ที่มันรบ ก, กวนเราเนี่ยส่วนใหญ่ก็เกิดจากความคิดคิดผิดคิดไม่ถูกหรือว่าคิดเรียรา่าไม่อยู่กับปัจจุบันรวมทั้งคิดระแวง ที่สมคัคือว่ามันมีกิเลสเนี่ยคอยซักยายอยู่เบื้องหลังกิเลสเนี่ยมันมีหลายระดับนะกิเลสที่อยากก็คือความโลภความโกรธแต่ว่ามีกิเลสระดับกลางละเอียดหน่อยมันจะเรียกเป็นความหลงก็ได้คือความหลงว่าฉันเป็นคนดีนะฉันเป็นคนมีศีลธรรม สารเป็นคนเก่งไอ้กิเลสตัวนี้มันสามารถที่จะทําให้เราเนี่ยมองไม่เห็นกิเลสอย่างหยาบมองไม่เห็นความโลภความโกรธที่มันครอบงาใจในการที่เราจะมีสติรู้เท่าทันกิเลสอย่างหยากแลก้วกิเลสอย่างกลางเนี่ยนะมันต้องใช้การฝึกนะฝึกด้วยการมาสังเกต รู้ทันความคิดและอารมณ์ที่เกิดขึ้นในใจของเรางั้นที่เรามาเจริญสติเนี่ยนะก็เพื่อให้เรารู้ทันความคิดเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นโดยไม่ตั้งใจความคิดที่มันสร้างความทุกข์ความยุ่งเหยินความวิตกกังวลในจิตใจของเรางัน้นทเราเจริญสติถูกเนี่ยเราก็จะเห็นความคิดที่มันเกิดขึ้นแต่ละครั้งแต่ละครั้ง แต่ละเรื่องแต่ละเรื่องและไม่ปล่อยให้มันครอบงำใจใหม่ๆนี่ก็สำรคนที่ไม่เคยปฏิบัติก็อจะใช้วิธีการเฝ้าดูจิตใจแต่ก็ต้องระวังอย่าไปดักจ้องนะเพราะถ้าไปดักจ้องเนี่ยมันก็อาจะทำให้เราเครียดนะดักจ้องบ่อยๆดักจ้องนานๆก็เครียดแถมยังทำให้เราไม่สามารถจะ ทำกิจในปัจจุบันขณะได้อย่างถูกต้องเช่นแถวที่เราเดินข้ามถนนขับรถถ้าเราแต่จ้องดูใจดูความคิดเนี่ยเราอาจจะโดนรถชนหรืออาจจะขับรถเนี่ยเกิดอุบัติเหตุได้พอนั้นเนี่ยจะมารู้ทันความคิดได้เนี่ยท่านก็สอนให้มา มีสติอยู่กบกายก่อนทำอะไรก็ให้มีสติรู้กายและพอมีสติรู้กายเนี่ยพอกานกายมันเผลอหรือผ่าออกจากกายเข้าไปในความคิดก็จะมีสติรู้ทันรู้เห็นความคิดฉั้นพอนเรียนสติบ่อยๆเห็นสติได้ไวเนี่ยมันก็จะหลุดจากความคิดหรือทําทำให้ความคิดมันสงบลง สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือคือใจที่สงบแต่ถ้านั้นไม่พอนะต่อไปมันก็ต้องเห็นไปถึงท่านความคิดที่มันไม่ดีด้วยถ้าเราเตรื่นตืบ่อยๆเนี่ยเราจะไม่ใช่แค่เห็นความคิดโน้นความคิดนี้คิดเรื่องงานนึกถึงโูกนึกถึงหลานแต่มันจะเห็นความคิดที่ไม่ดีนะความคิดที่เกี่ยวไปด้วยความโลภ ความคิดลบคิดร้ายหรือว่าความระแวงความเห็นแก่ตัวคนเราเนี่ยถ้ามารู้ทันความคิดแล้วเนี่ยมันต้องเห็นต่อไปถึงความคิดท้นไม่ดีซึ่งบางทีเราถ้าเราเป็นความคิดทีด่ชั่วร้ายก็ได้นักปฏิบัติต้องผ่านจุดนี้นะถ้าเจริญสติแลวเห็นแต่ความคิด ทั่วไปแต่ไม่เห็นความคิดที่เจอได้วยกิเลสหรือความคิดที่ชั่วร้ายนี่อันนี้แสดงว่าถูกกิเลสอย่างกลางนี่มันหลอกเราแล้วพราะกิเลส อ, อย่างกลางนี่คือความหลงว่าฉันเป็นคนดีพอหลงว่าเราเป็นคนดีมก็เลยพยายามไม่ให้เราได้เห็นความคิดเชื่อได้ดีความอิจฉ้า ความคิดร้ายหรือว่าความเห็นแกตัวให้หลายคนที่ปฏิบัติแล้วก็ชื่อตรงกับตัวเองนี่ ก, ก็จะพบว่าโอ๊ยความคิดที่ไม่ดีมันเยอะเลยเกินบางคนก็เลยบอกว่าเนี่ยไม่เคยคิดเลยนะว่าถ้าฉันจะแย่แบบนี้นะมันมีความคิดลบคิดร้ายเกิดขึ้นคิดเอาเปรียบเพื่อนบางทีก็คิดน้อยเนื้อต่าใจอิจฉาหรือ ความรูการบ่นว่าพ่อแม่ผู้มีพระคุณมันจะมีความที่มันถูกผุดขึ้นมาซึ่งเป็นธรรมดามากในไม่หลายคนก็จะรู้สึกไม่ค่อยดีนะที่ทําไมเรามีความคิดที่ชั่วร้ายเยอะเหลือเกินแต่ว่ามันก็จําเป็นนะเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนในการที่จะทําให้เราได้เห็นกิงเลยที่อยู่เบื้องหลังความคิดนั้น คนเราเนี่ยถ้าปฏิบัติแนละ้วเจรินสติแล้วไม่เห็นกิเลสที่มันอยู่เบื้องหลังความคิดน่แต่ไม่ออกมาเป็นการกระทเนี่ยอันนี้ก็แสดงว่าเรายังไม่ได้เห็นจินจังเพียงพอไม่ต้องเห็นลึกไปถึงกิเลสเนี่ยเห็นความโลภเห็นความโกรธเห็นความเกลียดเห็นความยึดความอยากยความหลงตัวว่าฉันดีฉันเก่งความอิดช้า ความพยาบาทความเคืองแค้นเพราะคนเรามันก็มีกิเลสกันทั้งนั้นแ่ละอนิา伽ที่เราเห็นไม่มีประโยชน์ยังไงมีเห็นกิเลสมีประโยนตรงที่ว่าจะทําทให้เราเนี่ยไม่หลงตัวลงตน ว, ว, ว, ว่าฉันเป็นคนดีประเสริฐนะฉันดีกว่าคนนั่นคนนี้พอจริงแล้วฉันก็ไม่ต่างกับคนอื่นๆแล้วทำไมเขาเไม่ร้อนียไม่ประมาทในกิเลส ไม่เผอให้กิเลสเนี่ยมันมาคล่อมงินใจเราได้ง่ายๆคนที่ไม่เห็นกิเลสเนี่ยมันจะถิด ก, กิเลสเราได้งา่ายแต่ถ้าเห็นกิเลสแล้วมันจะไม่ยอมในกิเลสนั่นเลยล้วต่อไปก็ปฏิบัติไปมีสติดูใจเรื่อยๆนก็จะเห็นแล้วว่าแม้กิเลสจะเยอะแต่กิเลสไม่ใช่เรานะอาจจะมันจะมีเสียงบ่นเสียงว่าพ่อแม่พูดเยอะคุณ แต่นนั่นไม่ใช่เราเอันที่สําคัญมากเลยนะเห็นกิเลส ก, ก็จริงแต่ก็เห็นต่อบแปลว่ากิเลสไม่ใช่เร า, าเพราะในตรงนี้มันก็รู้สุดแย่ทําไมฉันเป็นคนเลวแบบนี้ทําไมฉันมีความคิดชั่วร้ายแบบนี้ที่จริงมันไม่ใช่ฉันนะม่ะกิเลสที่ไม่ใช่ฉันแลแ้วจะยังเอาชนะกิเลสไม่ได้แต่ว่า เราก็จะสามารถรักษาใจไม่ให้กิเลสท้องใจหลวงพ่อชาท่านบอกว่าเนี่ยการปฏิบัติเนี่ยไม่ใช่ให้กิเลสนี้เราแล้วไม่ใชใ่เรานี้กิเลสแต่ให้เรารู้จั ก, กอยู่กับกิเลสอย่างมีสติเหมือนน้ากับใบบัวนะน้ํากับใบบัวมันอยู่ด้วยกันแต่น้ำํำมันไม่รั่ซึมเข้าใบบัวหรือไม่ทําให้บใบบัวเปียกเนะี่ยที่เราเห็นกิเลสนะมากมาย แต่กิเลสมันก็ไม่ใช่กองใจเราตลอดเวลามันมาเป็นครั้งคราวมันจอนเข้ามาแม้แม้มันจอนเข้าม า, ม เ, า, มาเราก็ไม่เผอให้มันมาครอบงาใจแล้วเราก็ไม่ลงทัตัวเองเป็นคนเลวคนแย่เพราะเห็นต่อไปว่ากิเลสมันไม่ใช่ไรมันก็เป็นสิ่งที่ผุดขึ้นมาคนที่ไม่ปฏิบัติก็จะหลงตนว่าจะเป็นคนดี แต่สุดเลิศแต่พอปฏิบัติเท่าถ้าปฏิบัติแค่เพียงกลาง<ๆ>ก็จะถืวฉ่ฉันแย่ฉันแย่มันเหยียไปอีกทางนึ่งแต่พอปฏิบัติไปถึงจุดนึงแล้วก็พบว่าไอ้กิเลสพวกนี้นไม่ใช่ไรและต่อไปก็จะเห็นต่อไปว่าเนี่ยไม่ใช่แค่กิลเลสอย่น้นะความทุกข์ต่างๆที่มันเกิดขึ้นความโศกความเศร้าความเครียดพวกนี้เนี่ย ที่เราเรียกลรู้ว่าความทุกข์ก็ไม่ใช่เราเหมือนกันมีความทุกข์แต่ทุกข์ไม่ใช่เราหรือเห็นว่าเนี่ยมีกลวก็จริงแต่ว่าไม่เอาไม่ใช่ว่าไม่มีแต่ว่าไม่เอาไม่เอาเพราะอะไรไม่เอาเพราะมีสติรู้ทันวางมันลงได้อันนี้จะทำให้การ ฝึกกิตหรือการรู้จักตนเนี่ยมันมีความลึกซึ้งมากขึ้นงั้นถ้าเราปฏิบัติไม่ถูกเนี่ยนะมันก็จะแค่เห็นในเรื่องตื้นตื่นเห็นแค่ความคิดทีด่ผุดขึ้นมาโดยไม่ตั้งใจเห็นแล้วก็วางเห็นแล้วก็วางแล้วใจก็สงบแต่ว่าอย่างฝอให้กิเลสเนี่ยมันมาเล่นงานจิตใจเราได้เพราะไม่เห็นไม่รู้ธรรมนั้น แต่ถ้าเราดูพ่ควรอย่างลึกซึ้งเราก็จะเห็นนะีกิเลสทั้งระดับกลางทั้งระดับหยากที่มันเคยก่อกวนหลอกล่อเราก็ไม่ให้มันเข้ามามีอิทธิพลครอบงำเราเหมือนก่อนสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าทำให้เรามั่นคงอยู่ในศีล ในความถูกต้องได้ดีขึ้นและขณะโดกใจก็ทําให้มีความทุกข์น้อยลงไม่ใช่ไม่มีทุกข์นะแต่ว่าไม่รู้สึกไปเข้าไปในความทุกข์นั้นหรือว่ามีความทุกข์แต่ไม่มีทุกทุกข์เพราะทุกข์ไม่ใช่เรานี่มันเห็นไปถึงขั้นว่าเนี่ยมันไม่มีเราอันนี้นี่ก็เป็นการเห็นในระดับปัญญาแล้วเพราะอาศัยสติ เน้ำหรัฝึกผูวิธีเนี่ยมันปฏิบัติโดยเอากายเป็นฐานเป็นที่ตั้งของจิตเป็นที่ตั้งสติมันก็จะเห็นนะเป็นลาดับข่านใจจนกระทั่งเข้าใจเรื่องรูปเรื่องนามไม่หลงยึดในในตัวกูไม่หลงยึดในตัวตนมันก็ทำให้จิตเป็นอิสระมากขึ้น